เมื่อสักครู่พวกเราก็ได้สาธยายความจริงของชีวิตประการสำคัญเลยนะก็คือเรื่องทุกข์มาเรียนรู้เรื่องทุกข์ตั้งแต่เช้าแล้วก็มาทบทวนว่าความทุกข์นี่มันเป็น ส่วนหนึ่งของชีวิตนะบทสวดที่เราได้สาธยายก็ได้จำแนกนะความทุกข์ตั้งแต่เกิดเลยนะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ไล่ลงมาจำแนก12อาการนะจนมาถึงข้อความที่ว่าว่าโดยยอ อ, อุปาทานขันตั้ง5เป็นตัวทุกข์ อันนี้คือความจริงของชีวิตที่เราควรจะรับรู้นะแล้วก็ศึกษาหลายคนมีความสงสัยว่าทำไมพุทธศาสนานี่จึงพูดถึงเรื่องทุกข์ไว้เย อ, ะ, อะยกเอาทุกข์เนี่าเป็นอริยสัจข้อแรกเลย จนบางคนก็เข้าใจว่าพุทธศาสนานี่เป็นลัทธิประเภททุกนิยมนะจริงๆที่พุทเจ้านี่พูดถึงความทุกเนี่ยเรียกว่าเป็นเป็นเรื่องแรกๆเลยเนี่ยส่วนนึงก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็มีความทุก คนส่วนใหญมีความทุกข์แล้วก็อยากจะหาทางออกจากทุกข์เราสังเกตไหมสมัยก่อนหนังสือพิมพ์เนี่ยอย่างเช่นไทยรัฐเนี่ยหรือแม้กระทั่งคู่สร้างคู่สมเนี่ยคอลัมน์ที่คนนิยมอ่านเนี่ยเป็นคอลัมน์อะไรคนะอลัมน์ศิลานีนะคอลัมน์ประเภทอ่าปรึกษาเรื่องความทุกข์ หนังสือพิมพ์ที่ไหนที่ไหนหรือนิตยาสารไหนก็ต้องมีคอลัมน์นี้แหละคอลัมน์ไขนะไขความทุกข์คนก็จะมาเล่าเรื่องทุกข์ให้ฟังคนอ่านก็อยากจะรู้เนะพราะคนอ่านเองก็มีความทุกข์ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งถ้าคนเรามีความทุกข์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีผู้รู้นะหรือผู้มีประสบการณ์เนี่ยนะ เอ่ยขึ้นมาเรื่องความทุกข์เนี่ยก็ จ, จ, จะสนใจนะแล้วก็อยากจะหาคำตอบอยากจะรู้คำตอบอ่แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลเดียวนะที่พุทธศาสนานเนี่ยพูดถึงเรื่องทุกข์ไว้เยอะนะแล้วก็พูดว่าเป็นเรื่องรแรกๆนะพูดเพื่อให้เราได้เข้าใจนะความทุกข์ ให้เรามีความรู้นะเกี่ยวความทุกข์และเมื่อรู้ทุกข์แล้วเนี่ยการพ้นทุกข์เนี่ยมันยังจะเป็นไปได้ส่วน็จพโธโธราานะโคสจารย์องค์ปัจจุบั น, นท่านพูดไว้ดีนะบอกว่าคนเราไม่ได้มีหน้าที่ทุกข์นะคนเรามีหน้าที่รู้ทุกข์ หน้าหน้าที่ทุกเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของเราคนเราทุกคนเนี่ยถ้าเรารักตัวรักตัวเองนะเราต้องพยายามที่จะห่างไกลจากความทุกข์เราจึงไม่มีหน้าที่ทุกเนรวมทั้งไม่มีหน้าที่ที่จะทำให้คนอื่นทุกข์ด้วย แตหน้าที่ทสําคัญคือหน้าที่รู้ทุกเพราะเมื่อรู้ทุกก็จะพ้นทุกได้ในที่หนึ่งเท่านก็กล่าวว่าทุกนะ่ะมีไว้เห็นนะไม่ได้มีไว้เป็นต่างกันเลยนะเห็นทุกกับเป็นทุกอะคนส่วนใหญ่เจอทกุก็เป็นทุกเลย จะมีน้อยคนนะที่เจอทุกข์แล้วเนี่ยเห็นทุกข์นะไม่เป็นทุกข์และเมื่อเห็นนะก็จะรู้เห็นทุกข์ก็จะรู้ทุกข์และเมื่อรู้ทุกข์เนี่ยก็จะรู้ว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรและจะออกจากทุกข์ได้อย่างไร หลวงพ่อคำเขียนนะท่านก็กล่าวไว้นะตอนที่ท่านใกล้มรณาภาพว่าเนี่ยเห็นทุกข์ก็ผลทุกข์เห็นนี้ก็เห็นด้วยสองอย่างนะเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาคือการเห็นหรือการเข้าใจหรือการตระหนักว่าสรรพสิ่งนั้นล้วนแต่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ในที่หมายเขาว่า มันเลื่อนแล้วแต่ถูกบีบคั้นแล้วก็มีแต่วันเสื่อมสลายมีแต่การที่จะเสื่อมสลายลงไปถ้าเห็นอย่างเงี้ยเห็นด้วยปัญญาแบบเนี้ยก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้ก็จะวางพอวางปุ๊บนี่ก็พ้นทุกเลยแต่เห็นด้วยปัญญานี่ยากนะ เห็นด้วยสติก่อนเห็นด้วยสติคือเวลาทุกข์ขึ้นมาเนี่ยไม่ว่ากายทุกข์หรือใจทุกข์เนี่ยนะก็ให้เห็นทุกข์เกิดขึ้นที่ใดนะก็ให้เห็นมันนะให้กายทุกข์เนี่ยเห็นไม่ยากนะแต่ว่าใจทุกข์เนี่ยบางทีเห็นยากนะ อยาอาการนาวๆอย่างเี้ยจะว่าไปมันก็คือการที่เราเนี่ยได้เจอความทุกข์แล้วนหลายคนเนี่ยก็จะเห็นแต่ความทุกข์กายแต่ไม่เฉลอใจว่าใจก็เป็นทุกข์ด้วยเวลานั่งนานๆเนี่ยเราก็จะเห็นแต่ หรือรู้สึกแต่ปวดแข้งปวดขาปวดหลังแต่น้อยคนนะที่จะเห็นว่าใจมันก็เป็นทุกข์ด้วยใจมันทุกข์เพราะว่ามันไม่พอใจมันดินน้นรนมันผลักไสมันไม่ชอบความหนาว มันพยายามผลักสายความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นกับกายทันทีที่ใจเนี่ยผลักสไม่ชอบใจเป็นทุกข์ทันทีเลยและทุกข์ใจเนี่ยมันก็จะไปซ้ําเติมความทุกข์กายทําให้ความทุกข์กายเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือว่ารู้สึกทุกข์ยิ่งกว่าเดิม ความหนาวกายเนี่ยนะเราอาจจะบรรเทาได้ด้วยการหาเสื้อผ้ามาหม่มนะมาปกปิดมาคลุมเอาไว้แต่ความหนาวใจหรือความทุกข์ใจเนี่ยนะเสื้อผ้านี่มันไม่ช่วยเท่าไรนะแต่สิ่งที่ช่วยได้คือการมีสติรู้ทัน รู้อาการของความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจสังเกตไหมใจเราเนี่ยมันบน่นมันโวยวายมันตีโพตีพายหรือเปล่าเวลาเจอความหนาวเวลารู้สึกปวดรู้สึกเมือ่อยใจที่บ่นโวยวายตีโพตีพายนี่แหละนะที่มันทําให้ใจเป็นทุกข์แต่พอเรา แต่พอใจเราหยุดบ่นนะอาจจะเป็นเพราะเรายอมรับได้เออมันเป็นเช่นนั้นเองเรอจะมองในแง่ดีว่าเออดีนะที่มันไม่หนาวกว่า น, นี้ใจที่ยอมรับความหนาวได้มันจะหยุดบน่นมันจะหยุดวอยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือใจกลับมาเป็นปกติ ้อใจกับเป็นปกตินะความทุกข์ใจหายไปแล้วมเมอเลยแต่ความทุกข์กายซึ่งเป็นเรื่องที่ทนได้ทนไหวไอ้ที่มันไม่ไหวเนี่ยคือใจไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนะยิ่งพยายามหนีนะจากทุกข์ก็ยิ่งไปผักสายไปต่อสู้กับมัน อย่างที่บอกไว้เมื่อวานว่าจิตทุก์เนี่ยหรือความทุกข์ใจเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อจิตมันดิน้นดิ้นก็มีสองอย่างดิ้นเพื่ออยากจะได้อยากจะเอานคนที่ไปเที่ยวห้างเนี่ยก็มีความทุกข์เพราะอยากจะได้เด็กก็อยากจะได้ของเล่นแต่แม่ไม่ให้ผู้ใหญ่ก็อยากจะได้เสื้อผ้าอยากจะได้โทรศัพท์รุ่นใหม่แต่ว่า เงินมีไม่พอเียอันนี้ก็ทุกข์ดิ้นอีกอย่างนะึงคือดิ้นเพราะผักใสนะ่ต่อสู้ขัดขืนนะอันนี้ก็ทุกข์อยกแบบนหลายคนก็ทุกข์ใจเพราะเหตุนเนี่ยจิตมันดิ้นเพราะมันไม่ชอบความหนาวมันอาจจะเรียกร้องให้ร่างกายของเราเนี่ยนะ เดินออกจากที่นี่ไปนะแทนที่จะอยู่หอใจก็กลับไปที่ห้องพักนะมันอุ่นดีเนี่ยหรือถ้าปวดแข้งปวดขาจิตมันก็ดิ่นลนผักสายกระตุ้นให้ร่างกายเราเดินออกจากที่นี่ไ ป, ห ร, ปหรือว่าเปลี่ยนยหรือยืดแข้งยืดขาเปลี่ยนเรียาบทนะ โอกาสแบบนี้นะมันเป็นโอกาสที่เราจะได้มาดูใจได้เห็นนะว่าใจเป็นยังไงเป็นแบบฝึกหัดนะได้มาดูจิตเราไม่ได้ดูจิตเฉพาะเวลาเราเดินจงกลมเวลาเรายกมือสร้างจังหวะเราสามารถจะดูจิตได้ทุกโอกาสโดยเฉพาะเมื่อมีสิ่งมากระทบ ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจเจออะไรนะก็เป็นโอกาสสำหรับการปฏิบัติธรรมหรือการเจริญสติได้ทั้งนั้นไม่ว่าเจอทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเวลาทำอะไรนะโดยเพราะทำด้วยกายล้วก็รู้ ว่ากายทำอะไรอันนี้ว่ารู้กายเคลื่อนไหวเวลาเจออะไรแล้วจิตมันก็เพื่อมยินดียินร้ายนะผักใสยหรือไสหานะก็เห็นนะก็รู้เนี่ยนี่เนี่ยคือการปฏิบัติธรรมภาวนาคือการบําเพ็ญทางจิตมาไม่ได้ที่รูปแบบ บางคนเนี่ยเวลาพูดถึงภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมก็คิดถึงรูปแบบขึ้นมาหลับตาตามลมหายใจเดินจงกลมแต่่จริงๆขณะที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยแม่ไม่ได้ยกมือแม่ไม่ได้เดินจงกลมแม้ไม่ได้หลับตาตาลมหายใจแล้วก็ภาวนาได้ด้วยการดูจิตมันรู้สึกอย่างไรเนเมื่อความหนาวกระทบกาย ถ้าเราดูไปนะสังเกตไปเรื่อยเราจะพบว่าเจออะไรเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรเรารู้สึกกับสิ่งนั้นอย่างไรเรามีมุมมองหรือคิดยังไงกับสิ่งนั้นเช่นความหนาวเนี่ยถ้าเราคิดว่าเออมันธรรมดานะหรือคิดว่ามันดีนะที่ไม่หนาวกว่านี้ เคยเจอหนาวกวนี้มาแล้วโอ้ยทรมานมากนี่มันไม่เท่าไหร่ความคิดแบบนี้มุมมองแ บ, บนี้ก็ทำให้ใจเนี่ยมันเป็นปกติคือไม่ผักใสใจยอมรับได้ <c oughs> เสียงดังก็เหมือนกันนะไม่ว่าเสียงดังจากเพื่อนบ้านนะหรือว่าเสียงดังจากเสิ่งรอบตัวเนี่ย เราจะทุกข์ก็ต่อเมื่อรู้สึกต่อต้านผลักไสไม่พอใจเสียงนั้นถ้าใจเราเฉยๆกับมันไม่ทุกข์อะความทุกข์ไม่ได้เกิดจากเสียงดังมากระทบหูแต่เกิดจากใจที่มีปฏิกิริยาต่อต้านไม่ชอบ พอเปลี่ยนจากไม่ชอบเป็นเฉยๆนะความทุกข์มันหายไปเลยหรือเปลี่ยนจากความไม่ชอบเป็นการยอมรับยอมรับมันเออมันเป็นธรรมดาของมันเองที่ไหนที่ไหนก็ดังทั้งนั้นแล้วใจมาสงบเลยคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะพอใจเขายอมรับมันได้หลังจากที่บนเวย้ยวายตีโพยตีภายกาแฟกาแฟกั บ, กบมันทาไมต้องเป็นชั้นทาไมต้องเป็นชั้น พอเขายอมรับมันได้ใจเขาสงบเลยแล้วเราจะเจอเคยพบคนที่เป็นมะเร็งแต่ใจสงบในขณะที่เด็กวัยรุ่นบางคนเพียงแค่มีสิวไม่กินไม่บนใบหน้าโอ้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับจะเป็นจะตายรู้สึกว่าเป็นวิกฤตของชีวิตมะเร็งนี่มันมันใหญ่กว่าเรื่องสิวเยอะนะ แต่ทำไมบางคนเจอมเมร็งใจสงบเป็นปกติแต่ทำไมบางคนเจอแค่สิวไม่กี่เม็ดหรือว่าเห็นแค่ผมงอกไม่กี่เส้นโหยกุ้มใจมันเชื่อเห็นเลยนะว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่สาคัญแต่กับวว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรหรือเรามองมันอย่างไร ถ้าเราผักสายเราต่อสู้นะใจทุกทันทีนันจะพูดอีย่างนงก็ได้ว่าอะไรที่มากระทบกับเราเนี่ยนะมันไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ใจนะจนกว่าใจเราจะไปแทกกระแทกกับมันนะเสียงกระทบหูนะรูป ก, กระทบตา อันนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่พอใจนี่ไปกระแทกกับมันไปกระแทกกระสิ่งนั้นน่คือไม่พอใจต่อสู้ผักสายนี่ทุกเลยสมัยที่หลวงพ่อชาท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับอาจารย์พรมวังโสท่านเป็นพระฝรั่งชาวอังกฤษท่านเคยเล่าตอนที่ท่านบวชใหม่ๆเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยข้างนอกเนี่ยใกล้ๆวัดเนี่ยเขามีมรดศบ คงจะเป็นงานศพนะดูางานบรรจุ ก, กระดูกข้าท่านเนี่ยชาววิสานนี่จะจัดเป็นงานใหญ่นะมีหมอรศบไม่ใช่เฉพาะกลางวันแต่กลางคืนด้วยมีคราวหนึ่งเนี่ยหมอรศบเนี่ยดังสนัน่นไม่อาจจะเป็นหมอลำหนังกลางแปลงร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยจนถึงสว่างเลยพระนี่นอนไม่หลับเลย วันรุ่ขึ้นก็เลยไปขอร้องชาวบ้านไปขอร้องผู้ใหญ่บ้านนะเนี่ยบอกว่าขอใหอ้หมอรศพบเนี่ยนะมันถึงแค่ตีหนึ่งพอพระอย่างน้อยก็จะได้มีเวลานอนสักสองชั่วโมงตีสมตื่นขึ้นมาทำวัดแต่ผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมนะก็ยังยืนยันนะที่จะให้หมอรศพบเนี่ยเล่นไปจนถึงสว่างเลย พระในวัด น, นี่ก็ไม่รู้จะทํางานก็เลยต้องไปหาหลวงพ่อชาเนี่ยมีองค์เดียวที่ท่านที่พระจะพึ่งได้แล้วก็คิดว่าพระว่าพระเราเนี่ยคิดว่าหลวงพ่อชาเนี่ยคงจะเห็นด้วยนะกับพระกลุ่มใหญ่แล้วถ้าหลวงพ่อชาพูดกับชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านก็จะเชื่อแต่พอไปพูดเรื่องนี้กับหลวงพ่อชาเนี่ย หลวงพ่อชาปฏิเสธที่จะไปคุยกับชาวบ้านพระก็แปลกใจเพราะว่าปกติหลวงพ่อชาเนี่ยท่านชอบความสงบเวลาอยู่ในวัดเนนะก็ไม่ชอบให้พระมาคุกคีส่งเสียงดังแต่ทําไมเวลาชาวบ้านเนี่ยนะใช้เสียงนยสนั่นมาถึงวัดเนี่ยหลวงพ่อชาท่านท่านกลับไม่ทําอะไรหลวงพ่อชาท่านก็ให้นว่า ไอ้เสียงเนี่ยมรศรบเนี่ยมันไม่ได้รบกวนพวกท่านว่าพวกท่านต่างหากที่ไปรบกวนเสียงเหล่านั้นพระนี่งงเลยนะแต่เป็นความจริงนะเสียงไม่ได้รบกวนเรานะถ้าเราทุกข์ก็เพราะเราไปรบกวนเสียงก็คือไปทะเลาะเบาแวงกับเสียงไปด่าเสียงไปกลด่า คือไปมีโทษเา ก, กับมันนะ่ยถ้าใจเราเป็นปกติเฉยเนี่ยไม่ทุกข์หรอกอันนี้ก็จึงพูดเมื่อสักครู่เนี่ยอะไรที่มากระทบเราเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับว่าเราไปกระแทกมันหรือเปล่ามันกระทบเราแต่ใจเราไม่ไปกระแทกกับมันคือไม่ไปทะเลาะ ก, กับมันใจเราก็เป็นสุขไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเสียงเป็นภาพเป็นข้อความ ไม่จะเป็นคาํนะคดาด่าคําด่านี่มันก็กระทบนะมันไม่ได้กระทบผ ม, มันกระทบใจแต่ถ้าใจเราไม่ไปกระแทกกับมันนะไม่ไปทะเลาะกับคนที่พูดใจเราก็สงบได้ก็เรียกว่าเป็นสุขนะหรือเป็นปกติสุขให้ลองสังเกตดูดีๆนะ อะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรหรือเรามีท่าทีกับมันอย่างไรแม้สิ่งนั้นจะเป็นความเจ็บป่วยนะแต่ถ้าเรายอมรับมันได้หรือเรามองด้วยซ้าว่ามันเป็นของดีอย่างที่บางคนบอกว่าขอบคุณนะที่เป็นมะเร็งโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะมะเร็งทำให้เขาได้เห็นธรรมะมะเร็งนำพาสิ่งดีๆมาให้กับชีวิตเขาหลายอย่าง ทำให้เขาได้แกล้ชิด ก, กับพ่อแม่นะทำไม่ได้ไรู้ว่ามีคนรักเขาแค่ไหนทำไม่ได้เห็นว่าชีวิตเรานี่ต้องไม่ประมาทนะต้องเรงทำความเพียรทำสมาธิภาวนาแล้วก็เห็นความสงบสัมผัสความสงบโอ้ยขอบคุณเลยนะมาเร็งแม้ก็ทั่งความเครียดนะเดีย๋ยวนี้ความเครียดเนี่ยมันเป็นปัญหา ที่ทำความทุกข์ให้กับคนจำนนมากคนที่เขาศึกษาเรื่องความเครียดที่เขาวันเนี่ยโรคที่ทำให้คนเนี่ยไปหาหมอเนี่ยคนที่ไปหาหมอเนี่ยพอเจ็บป่วยเนี่ยไอ้ความเจ็บป่วยของเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับความเครียดเนี่ยถึง 75% วความเครียดนี่เป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วดที่ทำให้คนเข้าโรงพยาบา ล, ลวความเครียดทำให้คนตายมากกว่าเพราะบุหรี่หรือเหล้าซิแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาพบว่าความเครียดตัวมันเองเนี่ยไม่เท่าไหร่ไอ้ความรู้สึกลบต่อความเครียดต่างหากที่มันเป็นปัญหาอันนี้เป็นงานวิจัยนะ ล่าสุดนะที่มันออกมาเรื่อยๆอย่างเช่นเมื่อนัสิบปีที่แล้วเนี่ยเขามีการทำวิจัยกับพนักงานธนาคารบริษัทธนาคารใหญ่เลยนะช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจพนักงาน400คนแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้ดูวิดีโอที่ตอกย้าว่าความเครียดเนี่ยมีผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร กลุ่มที่2ดูวิดีโอสารคาดีที่บอกว่าความเครียดเนี่ยมันสามารถจะเพิ่มพูนสมรรถนะการทํางานของเราได้กลุ่มที่สก็ไม่ต้องดูอะไรเลยนะแล้วเขาไปตามผลนะหลังจากนั้น1เดือนว่ามันมีอะไรความเกิด อ, อะไรเปลี่ยนแปลงบ้างก็เพราะกลุ่มที่2น่าสนใจกลุ่มที่2องเนกลุ่มที่ได้ดูวิดีโอที่บอกว่าความเครียดเนี่ยมันมีอาจจะมีประโยชน์ต่อการทํางานก็เพราะคนทํางาน นะมีโฟกัสมีสมาธิมากขึ้นมีส่วนร่วมในงานมากขึ้นแล้วก็มีปัญหาสุขภาพน้อยส่วน2กลุ่มนะคือกลุ่ม1กับกลุ่ม3เนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงเกิดความเปลี่ยนที่ดีเกิดขึ้นกับกลุ่ม2นะที่เขาเห็นดูวิดีโอที่บอกว่าเนี่ยความเครียดเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์นะต่อการทำงานของเขา มันมีอีกมหาวยาลัยหนึ่งนะเขาทำการทดลองกับนักศึกษาที่เตรี ย, รยมสอบเรียนปริญญาโทในหมหาวิทยาลัยชื่อดังนะการสอบเข้าเรียนปริญญาโทนี่เป็นเรื่องยากนะในในบางหมหาวิทยาลัยเนี่ยก็แ บ, บ่งนักศึกษาเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็มีการบรรยายบอกว่าความเครียดในระหว่างสอบเป็นเรื่องธรรมดานะ แต่มันอาจจะมีผลดีนะทำให้เราตั้งใจสอบได้ดีขึ้นได้คะแนนดีขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่้องทำอะไรนะแล้วเขาให้ลองสอบดูสองสอบพวกกลุ่มแรกนี่ทำได้คะแนนดีทำคะแนนได้ดีทั้งสองกลุ่มเครียดเหมือนกันนะเพราะเเอาน้ำลายไปตรวจแต่รากว่ากลุ่มแรกเนี่ยทำคะแนนดีกว่ากลุ่มที่สองและพอสอบจริงๆกลุ่มแรกก็ทาได้ดีกว่า ที่น่าสนใจเนี่ยมันมีงานวิจัยชิน้นหนึ่งนอันนี้ทำใหญ่ใหญ่โตมากคือเมื่อปี 4, 1หรือ20ปีที่แล้วเนี่ยเขามีการสอบถามความเห็นคนอเมริกันเนี่ยเป็นหมื่นมื่นคนเลยประมาณ 3, 4ี่หมื่นคนถามว่าถามเกี่ยวความเครียดในปีที่ผ่านมาว่ามีมากหรือน้อยแล้วก็ถามต่อไปว่าเขารู้สึกยังไงกับความเครียด นะเสร็จแล้วเขาก็ตามไปว่าคนที่ให้ความเห็นเหล่านี้เนี่ยมาถึงตอนนี้เนี่ยอยู่หรือตายนะมีกี่คนที่ตายไปแล้วก็พรว่าคนที่บอกว่าเมื่อปีที่แล้วเครียดมากเลยแล้วรู้สึกไม่ดีกับความเครียดเพราะรู้สึกความเครียดเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยตายก่อนวัยอันควรสี่บปอร์ต ส่วนคนที่บอกว่าเครียดมากแต่ว่าไม่ได้รู้สึกเลยนะว่ามันเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยกลับมีอัตราการตายก่อนวัยอันควเนี่ยน้อยกว่าคนที่เครียดมีความเครียดต่ํำด้วยซ้ำนั่นนี่ก็เป็นเรื่องแปลกเครียดสูงแล้วก็ตายก่อนวัยอันควรนี่ธรรมดาแต่ว่า ถ้าเครียดสูงแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าความเครียดเป็นอันตรายต่อสุขภาพคือรู้สึกดีกับมันกลับไม่มีปัญหาแบบนี้มากเท่าไหร่ทั้งหมดที่พูดมามันแสดงเห็นนะว่าความเครียดนี้ไม่ใช่ปัญหามื่เท่ากับว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรถ้ารู้สึกลบกับมันนะเราก็จะแย่แย่ทางกายแย่ทางใจแต่ถ้ารู้สึกไม่ถ้าไม่รู้สึกกับมัน อาจจะมองอาจจะเฉยๆกับมันอาจจะมองว่ามันดีได้ซ้ํำนะกับมีผลเสียน้อยกว่าถ้าคนที่เขาสึกว่าความเครียดมันเป็นเรื่องธรรมดาเขาก็จะยอมรับมันได้เขาก็จะไม่บน่นไม่โวยวายแต่พอคนที่เขาสึกว่าความเครีโอมันแย่เป็นเรื่องเวลวร้ายมากเนี่ยเขาจะกลุ้มใจและความกลุ้มใจเนี่ยหรือความทุกข์ใจก็ทําให้ร่างกายเขาแย่ลง นี่มันมีการวิจัยนะที่มันเชื่อนว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันมีผลไม่น้อยนะอาจจะมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา <c oughs> ยัมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เขาบอกนะว่าเขาไปทำสอบถามคนที่อายุ4ี่สิบว่ารู้สึกยังไงความแก่ และวก็คนที่รู้สึกไม่เดียวความแก่นะเช่นบอกว่าคนแก่เนี่ยเป็นคนขี้หลงขี้ลืมเป็นภาระกับผู้อื่นนะคนที่รู้สึกไม่เดียวความแก่เนี่ยเมื่อผ่านไป25ปีจะมีโอกาสาเป็นอัลไซเมอร์มากกว่าคนที่รู้สึกดีกับความแก่ก็เพราะคนที่รู้สึกไม่เดียวความแก่เนี่ยพอผ่านไป25ปีเนี่ยมันจะมีริมเลือดมากแล้วก็สมองส่วนที่เกี่ยวกับ อัลไซเมอร์เนี่ยฮิปโปเคนัสเนี่ยมันจะหดตัวลงซึ่งทำให้มีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์มากคนยิ่งกลัวความแก่นะพอแก่ตัวลงไปเนี่ยกับมีปัญหาสุขภาพไม่ใช่แค่อัลไซเมอร์เนี่ยแต่โรคหัวใจด้วยฝรั่งนี่ก็ททำการศึกษานี่ย้อนหลังไปไกลนะหรือว่ามองไปไกลเลยถามคนที่อายุปีว่าคิดยังไงความแก่ พออายุ80หรือผ่านไป40ปีโอ้โหปรากฏว่าคนที่รู้สึกลบกับความแก่นี่เป็นโรคหัวใจมากกว่าคนที่ไม่รู้สึกลบกับความแก่นักเรียนสาวยังอธิบายไม่ได้ว่ามันเกี่ยวพันกันยังไงแต่มันเชืเ่อเลยนะว่าความรู้สึกของเราท่าทีของเราเนี่ยต่อสิ่งต่างๆเนี่ยมันสําคัญกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราด้วยซ้ํานะอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่สาคัญต่อกับว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรหรือเรามองมันอย่างไร ถ้าเรามองลบต่อต้านผักใสเนี่ยแม้จะเจอสิ่งเล็กน้อยมากระทบมันก็ทุกข์ให้ลองสำรวจดูใจของเรานะเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยใจเราเป็นอย่างไรนะใจเราผักใสต่อต้านมาหรือเปล่าอย่างเช่นเวลาเราปฏิบัติแล้วมันมีความเครียดเกิดขึ้นมันมีความฟุ้งเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกลบกับความฟุง้งเรารู้สึกลบกับความเครียดเนี่ย เราจะทุกข์มากกว่าเดิมแต่ถ้าเรามองมันธรรมดาฟุ้งก็ฟุ้งไปบางทีมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็ช่างมันอย่างที่หลวงพ่อคำแก่นบอกว่าเนี่ยคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างมองว่าเป็นธรรมดาในความเครียดแค่รู้เฉยเฉยแค่รู้เฉยเฉยไม่ต้องผักสายมันเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเลอ จะฉลาดคนนั้นก็คือหาประโยชน์จากมันว่าเมันกําลังบอกอะไรเราความเครียดเนี่ยแทนที่เราจะเอาแต่กุ้มใจหงุดหงิดลองสํารวจดูว่ามันบอกอะไรเรามาจะบอกเราว่าเรากําลังวางใจผิดเรากําลังเพ่งมากไปเรากําลังไปควบคุมความคิดมากไปเราทำด้วยความอยากมากไปอพอรู้แบบนี้ปุ๊บ จิตมันกลับมาวางวางใจให้เป็นปกติหรือปรับตัวให้มันเหมาะสมเป็นกลางๆธรรมาตคนเราเนี่ยนะเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยใจมันก็จะก็จะสู้ก็จะกระแทกไปด้วยเสียงดังกระทบหูใจก็กระแทกเสียงนั้นใครทำอะไรไม่ดีกับเราเราก็กระแทกกลับไป ไม่รู้ตัวนะทำเป็นทิสัยแต่ลองนะกลับมันดูใจของเราแทนที่จะกระแทกกลับไปหรือแทนที่จะไปทะเลาะ ก, กับสิ่งที่มากระทบนะเราก็แค่รู้เฉยๆรู้ซื่อๆวางใจเป็นกลางกับสิ่งนั้นยอมรับมันแลนะความสงบในจิตใจมันก็จะกลับมา ลองฝึกดูนะลองกลับมาสังเกตใจของเราเวลาความหนาวกระทบกายใจมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเวลามีเสียงดังมากระทบหูใจรู้สึกอย่างไงเวลามีความปวดความเมื่อยที่กายใจมันรู้สึกอย่างไงไมันรู้เฉยๆหรือมันเข้าไปเป็นมันเข้าไปเป็นทุกครั้งที่ไปต่อสู้ไปผักใสกับมันยิ่งผักใส ย, ยิ่งยึดติด แต่พอไม่ผักใส ย, ยอมรับมันได้เนี่ยมันกลับวางนะลองสังเกตดูอาชาเนื้อผื่นเท่า น, นี้คลับพัก